สารีบุตรปริพาชกได้ทำจักสุขเพราะได้ฟังธรรมปริยายนี้ทำจักสุขอันปราศจากทุลีปราศจากมนฑินได้เกิดขึ้นแก่สารีบุตรปริพาชกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาสารีบุตรปริพาชกกล่าวว่าถ้าธรรมนี้มีเพียงเท่านี้ท่านก็ได้รู้แจ้งแทงตลอดทาง อันหาความโศมิได้แล้วอันเป็นทางที่พวกข้าพระเจ้ายังไม่ได้เห็นล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกับ